ช่วงนี้เป็นช่วงคืนความสุขมันไม่ใช่สุขเฉพาะกลางคืนเนาะกลางวันก็สุขจริงๆถ้าจะให้สุขยั่งยืนมาต้องทบทวนว่าอ้ ในอดีตที่มันไม่สุขเพราะอะไรเราเราเข็ดไหมไม่เข็ดเหรอที่เราทุกมาที่เราเจ็บมาเนี่ยเราจำไหมถ้าไม่จำนะเดี๋ยวมันก็สร้างเหตุแห่งความทุกข์นั่นใหม่แล้วสุขที่ได้มาก็ชั่วคราวจอมปลอม เป็นสุขที่เรารอให้คนอื่นหยิบยื่นมาถ้าเราเจ็บแล้วไม่จำก็ก็ต้องลำบากต่อไปไแต่ถ้าเราเจ็บแล้วจำจำว่าเราพลาดอะไรในอดีตก็จะจะระวังที่จะไม่ทำผิดพลาดซ้ำๆแบบนั้นอีก สิ่งหนึ่งที่เราพลาดก็คือว่าเราไม่ฟังคำพ่อพ่อบอกให้พอเพียงเราเราไปหลงเรื่องวัตถุเราอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆอันเนี้ยบางทีบางอย่าง ของแม้แต่ที่จะได้มาอย่างสุจริตแล้วไม่ยอมหยุดอยากได้อีกอะไรเงี้ยนะพระพุทธเจ้ายัางเรียกว่าเป็นมากมากของที่ได้มาโดยสุจริตแต่อยากได้อีกไม่พอเพียงท่านเรียกว่ามักมาก แต่ในหลวงไม่เรียกว่ามากมท่านจะใช้คําว่าพอเพียงดูดูนุ่มนวลนะดูนุ่มนวลแล้วก็สามารถเอาปรับไปใช้ได้แต่เราเรามักจะถูกล่อล่อด้วยของที่น่าใช้ของที่น่าเก็บของที่น่าสะสมของน่าสะสมเนี่ยสะสมไปเยอะๆก็เรียกว่ามากๆ องค์พระเนี่ยให้ใช้ผ้าพอสมควรเท่าที่จําเป็นถ้าองค์ไหนใช้สามผืนได้ดีเลยนะแต่โยมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะโยมก็ใช้เท่าที่จําเป็นลองไปดูตู้เสื้อผ้าอันไหนเก็บไว้แขวนไว้ปีหนึ่งแล้วไม่ได้ใช้เลยมีไหม <c oughs> <c oughs> ดูในตู้อื่นๆแล้วจานบางใบเนี่ยมันมัหยิบมาใช้เลยทั้งปีเลย แสดงว่าสะสมละเ mm hmm. ข้าของเครื่องใช้ลดราคารีบซื้อแล้วซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เห็น mm hmm. ว่ามันถูกดี mm hmm. เรียกว่าเอาราคามาลอกไอตอนคิดว่ามันถูกดีรีบซื้อไว้ก่อน mm hmm. แต่ได้ใช้หรือเปล่ายังไม่แน่ <laughs> อันนี้ต้องระวัง นี่แค่ลดราคานะเรายังโลภขนาดนี้นะแล้วของฟรีเนาะของฟรีมันก็ย <ins> ิ่งล <'t hurt> <anyway> ่อให้อยากได้ใหญ่เลยเรียกว่าเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เตือนครูบาอาจารย์เตือนแล้วไม่ฟังก็เลยต้องเจ็บกันบ้างนี่เจ็บแล้วมันเจ็บไปแล้วอ่ะมันพลาดไปแล้วเราไปแก้อดีตไม่ได้ตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องมาดูว่า ไอ้ที่พลาดเราพลาดอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปตีโพยตีพายหรือตำหนิตัวเองอจนเป็นทุกข์ซ้ำสองว่าเพราะเราพลาดอย่างนั้นเพราะเราเลวอย่างนี้เลยยิ่งทุกข์มากไปใหญ่นแค่เรียนรู้ให้ตรงว่าเราผิดอะไรเราพลาดอะไรอย่าว่าแต่เราตอนนี้เลยสมัยก่อนนะสมัยก่อนพระที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเตือนบางทีก็ไม่ฟังก็มี <laughs> เมื่อก่อนเนี่ยจะมีพระที่คอยอุปถากพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีพระอา น, นุ์อุปถากเป็นองค์ประจำเนี่ยนะก็จะมีพระมาอุปถากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ประจําแล้วแต่ละองค์เวลาอุปถากก็เวลาท่านเล่าถึงเรื่องดูแลพระพุทธเจ้าแล้วอย่างอาตมาอย่างโอ้โหพระสมัยก่อนท่านทําขนาดนี้เฉลยบางที พระเจ้าเสด็จไปพระอุปถากติดตามไปพอถึงทางแยกพระเจ้าจะไปอีกทางหนึ่งพระอุปถากบอกอยากจะไปอีกทางหนึ่งพระเจ้าบอกว่าไปทางนี้เราจะไปทางนี้อุปถากจะไปอีกทางหนึ่งตกลงกันไม่ได้อุปถากวางบาตรพระเจ้าเลยเป็นเราโอ้โหไม่กล้าทําอย่างนั้นนะแต่เรานึกนึกคือไม่ถึงว่าเราที่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้ในยุคนั้นถ้าเราเกิดเป็นท่านเราก็คงไม่รู้ผิดไม่รู้ถูก อาจจะทำมากกว่าท่านก็ได้มีอยู่องค์หนึ่งชื่อเมคิยะเคยได้ยินไหมพระเมคิยะไม่ค่อยดังคนไทยไม่ค่อยรู้จักพระเมคิยะเป็นอุปถาคในยุคก่อนที่พระอานนท์จะมาอุปถาคเช้าวันหนึ่ง อยากจะไปบินธบาต ท, ที่หมู่บ้านนดก็ไปกราบขออนุญาตพระพุทธเจ้าจากไปบินธบาต ท, ที่หมู่บ้านนดพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ไปไปบินธบาตเสร็จแล้วขากลับเดินมาเจอสวนมะม่วงอินเดียมีต้นมะม่วงเยอะสวนมะม่วงก็ร่มรื่นอยู่ริมน้ำมีมีแม่น้ำไหลผ่านดูแล้วก็ หน้าไปหน้าไปนั่งอยู่ในสวนนั้นไปทำความเพียรดูสงบร่มรื่นเกิดศรัทธาสถานที่เป็นไปได้ไหมศรัทธาสถานที่เป็นไปได้ไหมท่านบรรยายว่าสถานที่แห่งนี้ร่มรื่นหน้าศรัทธาน่าศรัทธาแล้วก็เลยกลับมากราบขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่ากหมอมฉันขอไปทำความเพียร แยกตัวไปทำความเพียรที่สวนมะม่วงแห่งนั้นเทพเจ้าบอกว่าอย่าพึ่งไปเลยเราอยู่คนเดียวรอให้มีพระองค์อื่นมาก่อนมาผัดเปลี่ยนคือตอนนั้นอยู่กันสององค์มีพระพุทธเจ้ากับพระเมขิยะเท่านั้นเองถ้าพระเมขิยะไปแล้วก็ไม่มีอุปถากจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้อยากได้อุปถากแต่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่า ไปตัว น, นั้นแล้วไม่เหมาะกับท่านหรอกอันนี้จะบอกว่าไม่เหมาะหรอกนี่มันก็ดูแบบอะไรอะ่ะดูเหมือนขัดใจมากไปนะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยตอนนี้เราอยู่คนเดียวรอให้มีองค์อื่นมาแทนก่อนแล้วเธอค่อยไปพระมียกิยาบอกก็หม่อมฉันอยากไปพระเจ้าพระองค์พระองค์งงเป็นผู้เท่เจ้าแล้วอะไม่มีธุระอะไรแล้ว กระหม่อมชั้นเนี่ยยังมีกิเลสอยู่ดูนะเหตุผลก็มีนะพระองค์สบายแล้วอะ่ะแต่กระหม่อมชั้นยังต้องทาความเพียรอยู่ตรงนั้นน่ะน่าทําความเพียรขออนุญาตไปพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งไปเลยในครั้งที่สองแล้วนะอย่าเพิ่งไปเลยรอให้คนอื่นมาก่อนแล้วเธอค่อยไปพระเมริยาก็ไม่ยอมบอกขออนุญาตไปและเหตุผลกล่าวเป็นครั้งที่สามว่าพระเจ้าสบายแล้วเป็นพระเจ้าแล้ว หมดกิเลสแล้วแต่กระหม่อมจันยังมีกิเลสอยู่ขอไปทำความเพียนเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองแต่ตอนนั้นกิเลสมีอยู่ไม่เห็นอยากจะไปพระเจ้าเห็นขอสามครั้งห้ามสองครั้งแล้วห้ามสองครั้งแล้วขอเป็นครั้งที่สามถ้าห้ามอีกเนี่ยนะเดี๋ยวเมขียะจะมีอกุศลเกิดขึ้นละเหมือนถูกขัดใจละ ก็เลยบอกว่าอ่ะไปก็ไปถ้าพูดอย่างนี้แล้วเธอยังอ้างอย่างนี้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรารังตัวเธอไว้เพื่อมารับใช้เราถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องให้ไปคืออ้างอ้างว่าจะไปทําความเพียรแล้วก็อ้างว่าพระเจ้าหมดกิเลสแล้วตัวเองยังมีธุระอยู่ถ้าเธอพูดอย่างนี้ก็ต้องไปก็ต้องให้ไปเราเคยไหมเราเคยตั้งธงเอาไว้ไมเวลาไป หาครูบาจารหรือหาผู้หลักผู้ใหญ่เรามีทงเอาไว้แล้วก็ไปพูดด้วยเหตุผลอะไรก็ได้เพื่อให้ได้สนองความต้องการของเราเคยมีไหมหาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อให้ได้ตามต้องการ mm hmm. แม้จะถูกทักท้วงยังไงก็ความความใจความภาชนะคือใจของเรานะั้นไม่รับรู้เหตุผลอื่นใจปิดใจปิดเพราะว่า ตั้งเป้าหมายว่าผลแห่งการพูดครั้งนี้เราจะต้องได้ไปที่นั่นนะตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยไม่รับรู้เหตุผลที่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งพระพุทธเจ้าห้ามหรือเตือนแล้วก็ไปพอไปท่านก็เป็นดูโอรื่นรมสมใจก็มาหาที่ ที่เหมาะๆนั่งนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาปุ๊บแป๊บเดียวเกิดอากุศลวิตกรู้จักอากุศลวิตกไหมมีอะไรบ้างคิดถึงกามนี่เป็นอากุศลวิตกอย่างหนึง่งคิดแล้วพยาบาทมีเกิดความโกรธเกิดโทสะขึ้นมาเป็นอากุศลวิตกอีกอย่างหนึง่งเรียกว่าพยาบาทวิตก อันแรกกว่ากามาวิตกอันที่สองพยาบาทวิตกแล้วก็คิดเบียดเบียนบิดเบียนผู้อื่นวิหิงสาวิตกเคยได้ยินไหมวิหิงสาวิตกท่านนั่งอยู่แป๊บเดียววิตกทั้งสาเนี่ยมาครบเลยในอดีตท่านเคยเป็นพระราชาไม่เบาเหมือนกันนะเป็นพระราชาไม่เบาเนี่หมายถึงว่าบุญไม่เบาไม่ใช่น้ําหนักนะบุญไม่เบา แล้วตรงนั้นน่ะเป็นพระราชอุทยานเดิมพอไปนั่งปุ๊บภาพเก่าๆก็เข้ามาสู่จิตตัวเองนั้นไมไ่ไม่ได้รลลึกชาติได้นะแต่ว่าภาพมันเข้ามาบรรยากาศมันชวนให้ระลึกถึงภาพท่านก็มานึกเหมือนตัวเองนั่งอยู่ท่ามกลางนางสนมพอนึกถึงภาพนั้นปุ๊บกามก็เกิดเรียกว่ากามพิตก เพลินอยู่ในภาพที่นึกตรงนั้นตอนนั้นเกิดการมเกิดราคะก็ไม่รู้ตัวแต่รู้สึกว่าโอ้เพลินจังนึกไปนึกมามันมีภาพแทรกมาแวบห น, น, น, น, น, นึ่งมีคนเข้ามารายงานกําลังเพลินๆเนี่ยนะมีคนเข้ามาแทรกขัดจังหวะเข้ามารายงานบอกว่าจับโจรได้มันมีคนเข้ามารายงานว่าจับโจรได้ จะรู้สึกอะไรเกิดโทสะกูกำลังเพลินๆเลยมึงมาขัดจังหวะเกิดโทสะขึ้นมาโทสะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ตัวรู้แต่ว่ามึงมาขัดจังหวะกู <c oughs> แล้วก็เลยคิดจะลงโทษไอ้โจรคนนั้นอ่ะยังไม่ทันสอบสวนเลยนะคิดจะลงโทษไอ้คนคนนั้นนึกถึงตัวนี้ได้ปรากฏว่าเกิดระลึกได้ขึ้นมาว่าโอ้โห เราเพลินมาตั้งนานเราเพลินมาตั้งนานแล้วก็เกิดโทสะแล้วคิดจะเบียดเบียนคนนี่ข้อดีของท่านนะข้อดีของท่านคือเริ่มรู้ตัวเริ่มรู้ว่าโอ้โหเรามานั่งอยู่นี่นะออกบทด้วยศรัทธาตั้งใจจะมาภาวนาเพื่อละกิเลสตอนบินธบาตนี่ยไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาในใจเลยกลับไปกราบทูลพระเจ้าก็จริงๆก็มีมีกิเลสอื่นๆนะแต่ว่าไม่มากเท่านี้ตอนเนี้นั่งอยู่ ใต้โคนไม้ในสวนมะม่วงตั้งใจจะมาขัดเกลากิเลสให้มันหายไปให้เกลี้ยงเลยนนะแต่กลับรู้สึกว่ามันเยอะจังรู้สึกอัศจรรย์ใจตัวเองว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อัศจรรย์ในแง่ว่าน่าตกใจพอเห็นกิเลสตัวเองมากมายขนาดนั้นทนไม่ได้กลับมาหาพระพุทธเจ้าข้อดีข้อที่สอง หนึ่งคือเห็นความไม่ดีของตัวเอง้อที่สองไม่ทิ้งอาจารย์กลับมาห า, าครูบาอาจารย์ตอนนั้นคือพระบรมรครูคือพระพุทธเจ้ากลับมาหาพระพุทธเจ้าเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าตอนไปเนี่ยดีดีดกลับมาในสมสารเคยไหมตอนไปเนี่ยคิดว่าดีมากเลยนะไปแล้วไปกรดีกระดาพอไปจริงแล้วสมสารกลับมา เล่าเหตุการณ์ทั้งหลายให้พระพุทธเจ้าฟังพระเจ้าบอกว่าอืมแล้วก็เลยฉเฉลยให้ฟังว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นตอนบอกว่าจิตเนี่ยดิ้นรนกวัดแกว่งจิตเนี่ยนะเป็นธรรมดาที่ดิ้นรนกวาดแกว่งเราดิ้นรนไหมจิตดิ้นรนไหมดิ้นไปเรื่อยเลยนะมันมีความอยากมีตัณหาอะไรดิ้นไปเรื่อยเลย ดิ้นรนกวาดแกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการจะออกจากกรามตอนจะออกจากกรามเนี่ยนะจิตมันถูกสะบัดขึ้นมาโดยที่ยังไม่ยินยอมท่านบอกว่าเหมือนปลาถูกคนตกปลาและตะวัดปลาขึ้นมาบนบก ปลาจะดิ้นมากเลยปลายังอาไลกับน้ําอยู่เข้าใจก็ว่าอาไลไหมยังอาไยอวรกับน้ําที่เป็นที่อยู่เดิมจิตเนี่ยนะมันยังมันยังอาไลอวรในภูมิธรรมอันเดิมคือกามาว่าจรภูมิพอมาทํากรรมฐานกนําลังจะออกจากกามมันจึงดิ้นรน ด้วยที่ว่าภูมิธรรมของจิตมันยังไม่พร้อมพอมาทำกรรมฐานสมถกรรมฐานที่ปัสนากรรมฐานมันเหมือนกำลังจะบอกตัวเองว่าฉันกำลังจะไม่ได้กามแล้วนะในขณะที่ยังอาลัยอาวร์มันจึงดิ้นรนเป็นธรรมดาพระเจ้าบอกนี้นะมันเป็นธรรมดาจิตมันเป็นอย่างนี้มันจะดิ้นรนอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่า วิธีแก้วิธีแก้เวลาจิตมีอากุศลวิตกทั้งสามนี้ขึ้นมาท่านบอกว่าวิธีแก้ที่จะไม่ให้อากุศลวิตกทั้งสามเนี่ยสร้างพิษสงให้เกิดทุกข์ร้อนนะก็คือคบเพื่อนดีๆคบเพื่อนดีเนี่ยหมายถึงมีอาจารย์ดีด้วยเหมือนกันนะโดยเฉพาะ ถ้าในยุคพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าคือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าบอกพระองค์เนี่ยเป็นการยานมิตรของทุกๆคนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ว่าเพื่อนเล่นกันอายุใกล้เคียงกันไม่จําเป็นนะอายุมากกว่าก็ได้อายุน้อยกว่าก็ได้เพื่อนที่ดีมีการยาณมิตรนี่ข้อหนึ่งข้อสองคือมีศีลศีลเนี่ยเป็นตัวป้องกันเป็นตัวป้องกันที่ ไม่ให้เราไปสร้างกรรมที่เบียดเบียนคนอื่นพอไปสร้างกรรมที่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเนี่ยใจมันจะเศร้าหมองใจจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่เราเคยทําผิดพลาดไปแล้วมันจะเศร้าหมองเหมือนถูกเสียดแทงเพราะฉะนั้น <S 1> <S 1> เพื่อไม่ให้จิตใจเศร้าหมองหรือว่าร้อนรนในการระลึกถึงอดีตอย่าทําผิด3อย่างไม่ทําผิดทางกายไม่ทําผิดทางวาจาไม่ทําผิดทางใจ หรือรักษาศีลข้อ3ข้อ3เนี่ยอาตมาอ่านแล้วอ่านแล้วรู้สึกสะดุดทำไมถึงสะดุดลองฟังดูนะท่านบอกว่าถ้าบุคคลคนนั้นได้โดยง่ายซึ่งกระถาซึ่งพาใจให้เปิด งงไหมอ่านแล้วสะดุดกระถาคือคำพูดคำพูดที่ชักจูงใจให้เปิดกระถาที่เปิดใจมีอะไรบ้างคำพูดที่ชักชวนให้มากน้อยนี่นะคำพูดที่หนึ่งนะคำพูดที่ชักชวนให้สันโดษคำพูดที่สองคำพูดที่สามคือคำพูดที่ชักชวนให้ไม่ครุกคลี สามเลนะคำพูดที่สี่คำพูดที่ชักชวนให้วิเวกคาพูดที่หคือคำพูดที่ชักชวนให้ปรารบความเพียรคำพูดเ่าเนี้ยฟังแล้วใจเปิดแต่ถ้าพูดให้มากๆใจจะปิดใจจะไม่ยอมรับธรรมะใจจะปิดเหมือนอย่างที่ท่านเมขิยะต้องการจะไป ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไปไหนเลยนะแล้วพยายามพูดเทคนิคต่างๆสํานวนต่างๆเพื่อจะให้บรรลุปเป้าหมายตัวเองขณะนั้นใจปิดขณะนั้นใจปิดแต่ใจที่เปิดเนี่ยคือไม่มากๆไม่ไม่คลุกคลีปรารบความเพียรสันโดษแล้วก็วิเวก ค, คำพูดอย่างนี้เราหาง่ายไหมหาฟังง่ายไหม ไปเปิดทีวีไม่มีคำพูดยีเนาะคำพูดในโฆษณาเนี่ยจะชักชวนให้เรามากๆอยากซื้ อ, อยากได้เปิดดูละครก็อยากตบ <c oughs> <c oughs> คนนี้มันแสดงได้ดีมากเราดูแล้วก็อินไปกับมันแล้วก็อยากจะตบมัน <c oughs> เคยมีนางอิจฉาในลิเกเดินไปตลาด แม่ค้าด่าแสดงว่าเล่นดีมากนางเอกไปเนี่ยโอ้โหซื้ออะไรก็แถมแถมพอนางอิจฉามานี่แม่ค้าด่าเขาดีหรือไม่ดีไม่แน่นะก็คือเขาเล่นตามบทใช่ไหมแต่ถ้าเล่นแล้วเราอยากตบก็จริงๆแสดงว่าเขาเล่นดีเล่นดีไม่ได้ว่ามีกุศลนะเล่นดีคือเล่นดีในอาชีพของเขา แต่อาชีพของเขาเนี่ยสร้างองกุศลให้คนดูเพราะนั้นถ้ามีลูกหลานอย่าไปสนับส น, นุนนะก็เป็นดารานะไม่ดีหรอก uh huh. กิเลส ท, ที่ไม่เคยเกิดก็เกิดราคะที่ไม่เคยเกิดก็เกิดโทสะที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสติไม่เคยมีไม่มี <c oughs> <c oughs> แล้วชีวิตก็ถูกติดตามจากผู้สื่อข่าวทำอะไรจะโชว์รูปอะไรก็ถูกติดตามถูกจับผิด อยู่เรื่อยไม่มีความสุขจริงนะอยู่เป็นประชาชนคนธรรมดาหาเวลาไปภาวนาสบายกว่านะคำพูดห้าอย่างจำได้ไหมอะไรบ้างมักน้อยชักชวนให้มักน้อยชักชวนให้สันโดษชักชวนให้ไม่ครุกคลีชักชวนให้วิเวกชักชวนให้ปรารจความเพียร คำพูดอย่างนี้ถ้าหาฟังจากคนอื่นไม่ได้ให้พูดเองในใจเราจะหาฟังจากคนอื่นเนื้อหายากให้เตือนตัวเองมักน้อยคือแม้แต่ของที่จะได้มาด้วยสุดจริตแล้วจะได้มากๆกนะก็เลือกที่จะเอาน้อยน้อยมักน้อยในของของที่ได้มานี่เฉพาะ ที่ว่าโดยสุจริตยังเอาน้อยเลยนะโดยทุจริตยิ่งไม่เอาใหญ่เลยนะไม่เอาเลยนิบท่านพูดถึงว่าพูดกับพระดีนะท่านพูดกับพระเมคิยะเนี่ยพระดีแล้วถ้าพูดกับพระไม่ดีก็ต้องพูดหนักกว่านี้อีกต้องพูดถึงเรื่องเรื่องทุจริตเรื่องนั้นไปเลยแต่นี้ท่านสุจริตอยู่แล้วแม้ในเรื่องสุจริตก็ยังควรจะมักน้อยมักน้อยจักของแล้วยังมักน้อยในเรื่องของ ลาบสการะด้วยไม่หวังลาบสการะแล้วไปทำทำการสแสวงหาที่ผิดผิดอยากได้ลาบสการะและพูดเรียบเคียงสำหรับพระนะพูดเรียบเคียงเห็นคนเดินถือน้าพึ่งมาถามอะไรนะ่ะน้าพึ่งอืมไม่จริงมั้งถ้าน้าพึ่งจริงเราคงได้กินบ้างนี่คือ พูดพูดแบบว่าอยากได้ใช่สแสวงหาผิดผิดนะได้มาสิ่งที่ได้มาก็เป็นโทษนะ้นำพึ่งที่ได้มาที่เขาถวายโดยไม่เต็มใจก็เป็นโทษบางองค์หนักกว่านั้นขอมากจนโยมหนีนะพระนะขอมากจนโยมหนีเดินไปบ้านนะโยมหนีเลยโยมหนีเลยไม่อยากจะคุยด้วยเลยหนีไปอีกบ้านหนึ่งเลย แล้วก็สักพักหนึ่งเห็นว่าเออท่านคงจะกลับวัดแล้วก็เลยกลับมาบ้านตกใจท่านยังนั่งอยู่ <c oughs> แล้วพระก็บอกว่าเมื่อสักครู่เนี้ยอาตา ม, มาไปเดินดูในครัวแล้ว <c oughs> ดูสิถือวิสาสะยังไงกูมึงเดินดูในครัวเขาเดินดูในครัวแล้วนะอาตา ม, มาเห็นงูอยู่ตัวหนึ่ง มันแผ่แม่เบี้ยเหมือนปลาย่างมันแผ่แม่เบี้ยเหมือนปลาย่างฟันขาวเหมือนข้าวสารอยู่ในครัวโยมรู้เลยไปดูหมดแล้วมีปลาย่างมีข้าวสารมีอะไรอยู่ในครัวบ้างก็เลยต้องทำอาหารถวายท่านนี่พูดเรียบเคียงไม่ได้ขอโดยตรงแต่พูดเพื่อบีบเหมือนบีบบังคับเหมือนปล้นนะอย่างงี้นะเขาไม่เต็มใจให้แต่พูดเพื่อให้เขาอายแล้วก็ เขาถวายโดยที่ไม่ไม่เจตนาไม่ตั้งใจไม่อยากจะถวายแต่ให้ด้วยด้วยความบีบคั้นไม่เต็มใจอย่างเงี้ยแสวงหาราบสการะแล้วก็ไปพูดเรียบเคียงด้วยสำนวนต่างๆอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นพวกไม่มากน้อยมากๆเคยเจอไหม <laughs> ท่านบอกว่าไม่ให้ก็ได้นะไม่ให้ก็ได้ ถ้าไม่ศรัทธาจะให้ไม่ให้ก็ได้พระเนี่ยบางทีบวชตั้งแต่เป็นเนนไม่รู้หรอกว่าโยมเนี่ยหากินลำบากมีแต่เดินบิดาบาทแล้วก็โยมให้ไปสวดมนต์ที่บ้านโยมก็ให้มางานศพ ส, สวดศพโยมก็ให้นึกว่าได้ง่ายง่าย mm hmm. นั้นเวลาไปพอบวชตั้งแต่เล็กมาจนเป็นพระ บางทีท่านก็ไม่เห็นความลําบากในตอนโยมก็หากินท่านก็เลยนึกว่ามันง่ายก็ขอของ่ายๆอันไหนที่เห็นว่าไม่สมควรไม่ให้ก็ได้นะไม่ใช่ว่าพระขออะไรแล้วต้องให้ทุกอย่างเนนขออะไรต้อต้องให้ทุกอย่างโยมต้องใช้วิจารณญาณนะต้องใช้วิจารณญาณรายการนี้ผู้ใหญ่ควรให้คําปรึกษาให้คําแนะนํา ถึงไหนแล้วเนี่ยมากมากใช่ไหมมากน้อยแม้แต่ในเรื่องของคําชมคําชมหรือหรือรู้คุณความดีของเราบางทีเรามีความรู้อยากให้เขารู้ว่าฉันเนี่ยจบปริญญาเอกนี่นะหรือว่าอยากให้เขารู้ว่าฉันจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนี้ ชื่อดังอย่างงี้นะภูมิใจในในความรู้ภูมิใจในสิ่งต่างๆของเราอยากจะโชว์อย่างงี้นะถ้าอยากจะโชว์ไม่ใช่คนมักน้อยในในแง่พุทธศาสนาใจที่มันมักมากๆในในคำนิยมชมชอบของคนอื่ น, นเดินจงกรมเพื่อให้เขารู้สึกว่าฉันเป็นนักปฏิบัติ ถ้าเดินจงกรมเพื่อเจริญสติเดินไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเดินโชว์ไม่เหมือนกันแล้วนะเดินโชว์ไม่ได้ห้ามไม่ให้เดินนะสมมติว่าอยู่ตรงเนี้ยเดินจะเดินจงกรมก็ทําทางให้เดินแล้วก็เดินไปแต่สำรวจใจตัวเองจะมีคนมองเราไหมจะมีคนมองและชมเราไหมเราเป็นนักปฏิบัติถ้าคิดอย่างนี้มากๆไม่ใช่คนมักน้อยนั่งสมาธิแล้วจะมีคนชมเราไหมว่าเรานั่งตัวตรงแข็งเด รู้สึกงั้นถ้าคิดอย่างนั้นมากๆนี่อาตมาไม่ได้ว่าเองนะพระพุทธเจ้าว่าไปเลยถ้าเดินจงกรมเพื่ออยากให้คนชมมา ก, มากๆนั่งสมาธิอยากให้คนชมมากมา้เข้าใจไหมแต่นั่งสมาธิเพื่อเจอริญสตินั่งไปคนก็จะเห็นและก็จะชมเรื่องของเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้คนชมด้วยนะกาจะชมก็ชมเรื่องของเขา ก็จะดูแล้วเขาตำหนิก็เรื่องของเขาแต่เราเจริญสติของเราเจริญสมาธิของเราเดินไปเดินมาเขาทำทางให้เดินแล้วก็เดินแต่เดินไม่ใช่เดินโชว์นั่งไม่ใช่นั่งโชว์ไม่ใช่เดินไปเพื่อคนอื่นเขาจะมองเรายังไหนะอย่างเงี้ยตอนนั้นสติก็ไม่เกิดแถมยังเพิ่มกิเลสเข้าใจไหมแต่เรามักจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเดินไปจะมีใครมองเรายังไงบ้างนาะเคยเป็นอย่างี้ไหม เรานั่งอยู่เนี่ยจะมีคนอื่นมองเรายัางไงมั่งเนาะอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็เป็น <ś c oughs> เรานั่งอยู่เนี่ยเวลา he, เขามองเรามาอย่างเงี้ยแล้วคนมองเยอะแยะเลยเนะเขาจะมองเรายัางไรเนาะบางทีก็คิดอย่างนี้นะ <c oughs> ตอนนั้นนะ่ะขาดสติเข้าใจไหมแล้วเราก็จะมีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะมีตัวตนของเราแบบหนึ่งตัวตนที่อยากจะเป็นแบบหนึ่งเป็นหรือไม่เป็น อย่างนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้นะแล้วก็ไอ้ตัวตนนั้นเราอยากจะเป็นเนี่ยคนอื่นเขามองเรามาเขาเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอย่างที่เราอยากจะให้เป็นหรือเปล่าเช่นเราอยากจะเป็นคนอยากจะเป็นคนเซ็กซี่ก็ทําตัวให้เซ็กซี่แล้วก็อยากให้คนอื่นมองเราเซ็กซี่นี่นะแต่คนอื่นจะมองเราสมเพศหรือเปล่าก็ไม่รู้เราอยากจะเป็นอย่างนั้นและอยากให้คนอื่นมองเราอย่างนั้น อยากให้คนอื่นมองเราว่าเป็นคนฉลาดมีภูมิรู้แล้วก็สร้างตัวตนของเราแบบหนึ่งเพื่อให้คนอื่นมองเราอย่างนี้และหวังว่าคนอื่นมองแล้วจะเข้าใจว่าเราฉลาดประมาณอย่างนี้นะอยากจะให้คนอื่นมองเราว่าเป็นคนไม่มีกิเลสหรือกาลังใกล้ใกล้จะหมดแล้วกิเลสใกล้ใกล้จะหมดแล้วประมาณนี้นะก็จะทาตัวปั้นแต่ง กิริยาอาการต่างๆเพื่อให้คนอื่นเข้าใจอย่างนั้นขณะนั้นกิเลสมีอยู่ไม่รู้เลยกำลังมากๆด้วยไม่ใช่มักน้อย <S <S แค่เรื่องมากน้อยนี่ก็เยอะนะไม่ไม่น้อยนะ <S <S ไม่น้อยเลยมักน้อยในคำนิยมชมชอบจากคนอื่นมักน้อยในลาบสการะมักน้อยแม้ในของบริโภค ที่แม้จะได้มาโดยสุจริตไม่มากมากแล้วก็สันโดษมาตามกันนะตามกันมาสันโดษเนี่ยจะสันโดษในสิ่งของบริโภคสันโดษในปัจจัยสี่สันโดษใช้เท่าที่มีพอใจเท่าที่มีหรือพอใจตามฐานะตัวเองนี่คือสันโดษไม่ใช่ไปใช้ของปอนๆแล้วดูสันโดษไม่ใช่ยังงั้นนะ เราอยู่ในฐานะนี้อยู่ในอะไรอยู่ในบริษัทอย่างนี้ค้าขายแบบนี้ควรใช้ของที่เหมาะสมกับสถานะตรงนี้ไม่ใช่ไปใช้ของปนปนๆแล้วลูกค้าหนีหมดมใช้ให้เหมาะสมกับฐานะ<ม>เรียกว่าสันโดษ ม, มันตรงกับที่ในหลวงบอกว่าเป็นพอเพียงนะ<ม>สันโดษสันโดษในปัจจัยสี่มันจะ ลดภาระในการแสวงหาเราเคยแสวงหาปัจจัยสี่เกินจำเป็นมากมายพอเราสันโดษแล้วเนี่ยภาระในการแสวงหาก็น้อยลงเวลาในการแสวงหาก็น้อยลงเงินทองที่จะใช้จับจ่ายก็จับจ่ายน้อยลงมีของมีมีเงินเก็บสะสมไว้มากเก็บสะสมไม้มากเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นทำประโยชน์อย่างอื่น เวลามีเหลือมากเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะอย่างพระเนี่ยสันโดษในปัจจัย่แล้วเวลาที่เหลือเอามาทำความเพียรนะทำความเพียรมีมากแบ่งปันกันไปนะพระเนี่ยเวลามีปัจใจมีของมากๆ ม, มีจีวรหลายผืนแบ่งปันกันมียามากแบ่งปันกัน มีที่อยู่อาศัยมีรองเท้าหลายคู่บางทีบางแห่งบางวัดจัดเป็นห้องพัสดุได้ของมาเอามากองรวมกันจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลใครต้องการขาดสิ่งใดไปดูเอาที่ห้องพัสดุไปไปบอกพระเจ้าหน้าที่อย่างนี้คือมีลาบแล้วแบ่งปันกันนะไม่ใช่เก็บส่วนตัวโยมก็ ใช้ปัจจัยสแบบสันโดษสันโดษไม่ต้องเอาขนาดพระอย่างที่บอกแล้วให้เหมาะสมกับฐานะของแต่ละคนสันโดษในแง่ของการปฏิบัติคือสันโดษในเหตุพระเจ้าบอกว่าพระองค์สันโดษในบางอย่างในบางอย่างท่านไม่สันโดษถ้ามีคนถามว่าพุทธศาสนาสอนให้สันโดษหรือเปล่าต้องตอบแบบแยกแยะ วิพัตจวิธีแยกแยะสันโดษบางเรื่องบางเรื่องไม่สันโดษต่อก็ไปอย่างนี้นะแล้วก็าถามมาแค่นี้ก็ตอบไปแค่นี้ถ้าเขาถามต่อว่าอ้าวแล้วสันโดษอะไรต่อไปสันโดษในปัจใจสี่แล้วไม่สันโดษอะไรไม่สันโดษในกุศลธรรมเข้าใจไหมคุณความดีแค่นี้ไม่พอยังมีคุณความดีที่ยิ่งกว่า น, นี้ที่เรายังไม่มีให้รีบทำ ชีวิตนี้ยังมีเวลาอยู่เร่งทําความดีให้เยอะๆและความดีที่ควรจะทําคือความดีที่เกื้อนหนุนให้ต่อการหลุดพ้นไปจากทุกอันนี้ไม่ใช่ความดีที่พาวนเวียนเวียนเกิดเวียนตายในวะตาสงสารถ้าเวียนเกิดเวียนตายในวะตาสงสารไปทําตอนที่ยังไม่มีพุทธศาสนาไปทําชาติอื่นชาตินี้เจอพุทธศาสนาแล้วทําความดีที่พาหลุดพ้นได้กุศลธรรมที่จะพาหลุดพ้นนั้นต้องทํา ทานทางต้องทำนะไม่ใช่ฉันจะมุ่งทำวิปั ส, สนาไม่ทำทานเลย<ม>ก็ไม่ครบบุญต้องทำให้ครบครบวงจรให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนาภาวนาก็ทำให้ครบวงจรคือมีทั้งสมถะภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาไม่ไม่สันโดษในกุศลรธรรมเหล่านี้แม้แต่เป็นพระโสดาบันแล้วสบายใจพอแล้วฉันสบายแล้ว ปิดอบายได้แล้วแล้วก็หยุดพระเจ้ายังตำหนิเลยบอกเธอประมาทแล้วอ ง, องค์ไหนประมาทได้เป็นสวัดาบาลแล้วก็ยังถูกตำหนินนเป็นพระสกิทาคาแล้วหยุดท่านก็ตำหนิเป็นพระอนาคามีแล้วหยุดท่านก็ตำหนินบอกชีวิตยังมีอยู่ยังต้องทำกุศลธรรมให้ถึงที่สุดคือให้พ้นทุกข์ให้ได้ไม่ใช่สบายใจนอน เสพเสวยวิมุตติสุขถึงแม้ท่านดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประมาทแล้วนะแต่ถ้าหยุดพระองค์จะตำหนิเลยว่าประมาทแล้วเราอยู่ขั้นไหนละ <c oughs> น, นั้นประมาทไม่ได้แล้วนะมีเวลาอีกไม่มาก <c oughs> มีเวลาอีกไม่มาก <c oughs> บางคนถึงครึ่งทางแล้ว <c oughs> ของชีวิตนะ <c oughs> บางคนเลยแล้ว <c oughs> เวลาในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยสมมติว่าบาคนถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยนะบางคนอายุสี่สิบคนอายุแปดสิบตายไหมยเยอะแยะไปใช่ไหมบางคนไม่ถึงด้วยซ้ำใช่ไหมบางคนเจ็สกว่าก็ตายบางคนหกสิบกว่าก็ตายถ้าหกสิบกว่าตายตอนนี้ใครอายุสาสิบ้างมีไหมไม่มีมักจะกว่าไปแล้วใช่ไหมกว่าไปแล้วนะมองหน้ากันเอง ครึ่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราพอใจในกุศลธรรมบ้างหรื อ, อยัง <c oughs> ถ้าพอใจแล้วอีกครึ่งชีวิตเนี่ยนะมันก็ได้เท่านี้ย <c oughs> มันไม่ไปไหนละแต่ดูแล้วแล้วครึ่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่พอแล้วใช้เวลาใช้เวลาเรียกอะไรไร้สาระซะเยอะ <c oughs> ถ้ามองงี้ได้นะเราจะรู้สึกว่ากระตุ้นความไม่ประมาทในใจขึ้นมา <c oughs> อย่างนี้เรียกว่า มองชีวิตแล้วเกิดสังเวชรู้จักคำว่ า, าสังเวชไหมสังเวชไม่ใช่สลดนะสังเวชนคือกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทคาถาคือคำพูดที่ชวนให้เกิดความเปิดใจห้าอย่างเมื่อกี้พูดไปสองอย่างแล้วนะมักน้อยสันโดษอีกอย่างหนึง่งไม่คลุกคลีไม่คลุกคลี ท่านยกตัวอย่างพระคลุกคลีเนะี่ยคลุกคลีได้หลายแบบแบบแรกเลยเนะี่ยนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงเลยนะว่าจะเป็นการคลุกคลีท่านบอกว่าได้ยินได้ฟังเรื่องของคนอื่นคลุกคลีละดูสิแล้วเราเนี่ยนะยิ่งกว่าคลุกอีกเนาะได้ยินเรื่องได้ฟังเรื่องของคนอื่นนะ เช่นเขาบรรยายว่าลูกสาวบ้านโนนะสวยมากเลยหน้าตาแทลแ่มแจ่มช้ชอยตาปิงปิงฟังปุ๊บเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเกิดราคาขึ้นมาแล้วนี่คือโทษแห่งความคลุกคลีคลุกครีอย่างที่สองคือไปดูล่ำลือกันดีนะักขอไปดูสักหน่อยเถอะเสร็จเลยที่เคยได้ยินได้ฟังมากับที่ได้เห็นยิ่งคลุกคลีก็ไปใหญ่เลย แต่มังคนดูแล้วเออปรองได้แต่นั่นก็คือคลุกครีเป็นคลุกครีอย่างที่สองคลุกครีอย่างแรกคือได้ยินได้ฟังมาได้ยินได้ฟังคนหนึ่งพูดถึงอีกคนหนึ่งนะคนหนึ่งพูดถึงอีกคนหนึ่งยังไม่ได้เห็นตัวจริงพอไปเห็นตัวจริงคลุกครีอย่างที่สองคือไปดูคลุกครีอย่างที่สามคือฟังไอคนนั้นพูดเลย คุยกันเลยพูดคุยกันเลยพูดคุย ก, กันกับที่ได้ยินได้ฟังคนอื่นพูดมาเนี่ยคนละเรื่องกันนะคนละแบบกันนะคนละคนคนละระดับคลุกคลีแบบห่างๆคือได้ยินคนหนึ่งพูดถึงคนหนึ่งให้ฟังคลุกคลีอย่างที่ใกล้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งคือเห็นหน้ากันมองหน้ากันตอนนี้ก็เริ่มคลุกคลีกัน <laughs> อย่างเงี้ยนะเห็นหน้ากันคลุกคลีใกล้ชิดขึ้นอีกคือพูดคุยกัน มีการสนทนากันคลุกคลีใกล้ช like ิดก <uch ing IL SA> ันอีกมีการให้ของกันรับของกันมันเริ่มสนิทสนมมากขึ้นใช่ไหมคลุกคลีเนี้ยเริ่มสนิทสนมมากขึ้นมีการให้ของมีการรับของนี่ท่านเตือนพระนะเตือนพระโยมเองเวลามีการให้ของกันรับของกันมันจะมีความผูกพันพระเองเวลาให้ของกันรับของกันถ้าไม่ระวังก็ผูกพันเหมือนกัน เพราะนั้นเวลาโยมจะจับพระโยมจะจับพระนะพระที่พลาดก็คือรับของแล้วใจผูกพันมีพระองค์หนึ่งแร่งมากเลยไม่ยอมไม่ยอมมองโยมผู้หญิงเลยจะมองก็มองเทา้าเคร็งนะเหลือบตาลงต่ำอย่างเดียวโยมคนนี้โยมคนนี้ก็คิดจะจับพระองค์นี้ จับพระหมายถึงว่าพอใจในพระองค์นี้อยากจะได้พระองค์นี้ไปเก็บไว้คนเดียวที่บ้านคืออยากไปทำสามีก็เลยใช้วิชาวิชาทั้งหลายแหล่ที่จะผูกใจพระให้ได้ก็ไปกราบพระแต่ละทีพระท่านก็ไม่มองหน้าเลยมองแต่เท้าโยมก็เลยแต่งตัวแบบ เปิดข้างล่างเวลาไปวัดจึงวัดไหนที่เขาดีๆเ็าจึงให้ให้นุ่งผ้าให้มันปิดเกินหัวเข่าไปอีกนะให้ถึงครึ่งแข้งพระเนี่ยเวลาท่านสำรวมมากๆเนี่ยพอดูทีนท่านตกใจคือนานๆเห็นทีเนี่ยมันกิเลสเกิดขึ้นง่ายเวลาพระอยู่ป่านะไม่เคยเจอผู้หญิงนะพอเข้ามาในเมืองเห็น เราเห็นรู้สึกธรรมดากับคนคนนี้นะแต่พระท่านมาเห็นทีนนตกใจกิเลสเกิดเกิดขึ้นง่ายพระท่านก็ไม่ค่อยได้ดูผู้หญิงเท่าไหร่เห็นแต่เท้าพอผู้หญิงคนนั้นมาใช้ใช้แผนนี้ขึ้นมานะคือนุ่งสั้นๆมาพระท่านก็ตกใจตกใจกิเลสก็เกิดกิเลสก็เกิดก็เห็นข้างล่างแล้วเกิดกิเลสก็เลยมองข้างบนก็เลยเจอหน้าคนนี้เลย ค, คลุกคลีมีการ ค, รคลุกคลีแผนสองก็คือ ทำอาหารมาถวายทำอาหารมาถวายมาถวายเป็นประจําถวายเป็นประจํามีการรับมีการให้ซึ่งปกติพระก็รับแต่พระรับแบบถ้ารับแบบปกติจะรับเพื่อโปรดโยมคือให้เขาได้ทําบุญแต่ถ้าพระมีใจแปรปรวนจะเกิดการ ค, รคลุกคลีมีการครุกคลีขึ้นมา เกิดความประทับใจในรสชาติอาหารเกิดความประทับใจในกิริยาอาการมีการพูดคุยกันเริ่มคลุกคลีแล้วพูดคุยกันคลุกคลีให้ของกันคลุกคลีเหลืออยู่อย่างเดียวคือถูกเนื้อต้องตัวถ้าคลุกคลีแบบถูกเนื้อต้องตัวนี้ยิ่งผูกพันกันมากขึ้นพระองค์นั้นนะท่านท่านเผลอไปคลุกคลีพอเผลอไปคลุกคลีแล้ว ใจก็เลยไปปลูกพันุ์คราวนี้ก็เลยหลงหลงเสน่ห์หลงเสน่ห์ปลายเจาะหลงสเนลง ส, เ น, งสเ น, น่ห์ในในการแต่งตัวหลงสเสน่ห์ในคําพูดนี่เป็นเรื่องเล่านะไม่ได้พูดพาดพิงใครเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานเป็นนิทานโยมคนนั้นบอกว่าพระองค์เนี่ยเคร่งนักเหลอเดี๋ยวฉันจะขี่คอสักก็ได้บอกกันนะแล้วก็ตกลง พระก็หลงรักโยมไปแล้วก็เลยตกลงว่าจะศึกพอศึกไปก็ไปอยู่ด้วยกันนี่ก็ไปพนันกันแล้วว่าฉันจะเอาพระองค์เนี้ยมาขี่คอสั ก, ก็ได้นี น, นะมันยังไม่ได้ขี่ยังไม่ได้เงินค่าพนันไปเที่ยวด้วยกันแกล้งเดินหกล้มขากระเพกพระก็ ไม่จะพระแล้วนี่ทิดทิดก็โอ้กำลังแต่งงานกันใหม่ๆนะเข้าใหม่ปลามันอ้าวเป็นไงน้องเป็นไงหกล้มขาแพงเดินไม่ได้แล้วทำไงดีละ่ะขี่คอก็เลยขี่คอขี่คอไอ้เพื่อนที่ดูอยู่ก็เลยต้องยอมจ่ายตังนี่เหตุผลเพียงแค่อยากจะชนะพระเท่านั้นเองนั้นพระระวังนะ